ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่งประโพธิญาณกำลังนำเสนอสัมมาวามะในข้อที่เรียกว่าอนุรักษณาประธานคือเพียรพยายามรักษาคุณธรรมความดีต่งตางๆที่ตนสร้างให้บังเกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่แล้วก็พัฒนาต่อไป จนกว่าจะสมบูรณ์ด้วยความดีเหล่านั้นกรนีเป็นสังเกตว่าคุณธรรมทั้งหลายที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในระดับต่างๆนั้นคือถ้าระมองโดยพื้นฐานจิตใจพุทธศาสนากิจชนระดับที่สนใจฟังรายการธรรมะก็ควรจะมีคุณธรรมอยู่ระดับใด ร, ระดับหนึ่งโดยเฉพาะอ ย, าอย่างยิ่งก็คือระดับศีลธรรมเนี่ย ก็มีกันหโดยมากตอะคุณธรรมที่นํามากระจายออกไปโดยนยะตา่างๆมันก็อยู่ในกลุ่มของภาวนาประธานกับอนุรักษณาประธานแต่ในกรณีที่ยังไม่มีเลยก็พยายามสร้างให้เกิดขึ้นแต่เมื่อสร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้แล้วก็พยายามเพิ่มพูนต่อไป จนกว่าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในเรื่องเหล่านั้นถือแน่นอนว่าจุดบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่จริงมันก็ดูง่ายแต่ว่าทำยากคือหมายความว่ากิเลสหมดไปจากใจมันก็ถือว่าบริบูรณ์แล้วคือมองจากการละ ก, กิเลสก็ได้มองจากความบริสุทธิ์หมดจดภายในใจก็ได้บางครั้งเราก็มองจากอาสวัขยานคือมีพยานที่เกิดขึ้น แล้วก็ทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไปตัวปริยา น, นั้นก็เป็นตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปตามอริมักกับหมายความมาเป็นผลของกุศลธรรมส่วนเหตุแต่เมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเขาเขาก็เป็นเหตุที่ทำให้อาสวะหมดไปจากจิตใจแล้วก็ดำรงอยู่ ภายในใจมีจิตใจสว่างรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลาระแนนธรรมะปฏิบัติที่จะจะนำเสนอในที่นี้บางข้อบางประการนั้นก็คงเป็นการมองระดับศีลธรรมจัญญาเป็นหลักแม้ว่าบางเรื่องจะมีกรอบใหญ่โต ก, ก็ตามอย่างกรอบหนึ่งที่น่าคิดมากเลยเนี่ยเป็นภาพรวม คือกรอบของพระพุทธจริยาเป็นรูปของการดาเนินตามปฏิบัติตามจริยาของพระพุทธเจ้าพอเทียบตามความเป็นจริงแล้วเราก็มีสถานะเดียวกับพระพุทธเจ้าในกรณีที่เป็นลูกหลานของสกุลแล้วก็เป็นพระจากรของโลก มีภาระหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำให้เหมาะควรแก่ฐานะหน้าที่ของตนเพราะหน้นาที่ทั้งสามนี้ที่จริงก็ครอบคลุมวิถีชีวิตของบุคคลทั้งหลายแต่ว่าใครจะฝ่ายดีขนาดไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนการกระทำที่สมบูรณ์ในแต่ละจุดนั้น เรเรียกว่าทําประโยชน์ตนได้สมบูรณ์ก่อนแล้วก็ทําประโยชน์บุคคลอื่นได้สมบูรณ์ซึ่งก็เป็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายแต่เราก็พูดในนามของการโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าตามหลักของจริยาทั้งสามประการประการแรกคือโลกัาธจริยาในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งภายในโลกโลกนั้นก็อาจจะกว้างไปนะ โลกในความหมายทั่วๆไปกว่าจะความไปแต่โลกในความหมายของาศาสนามันมีหน่วยย่อยของมันเช่นขันถ้ า, นาโลกอายตนะโลกในแต่ละอย่างแต่ก็จัดเป็นโลกไปกันวันในฐานะที่เราเป็นประชาคมคนหนึ่งภายในสังคมพจะทำอย่างไงว่าในช่วงแรกเนี่ยจะทำอย่างไงอย่าให้มีปัญหาต่อสังคม คือหมายความว่าการเกิดขึ้นมาของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ควรเป็นปัญหาต่อสังคมนั่นก็คือแนวของอวชาติบุตรคือบุตรที่ผานสกุลนั้นเด้งเมื่อก็ผานสกุลเมื่อก็กระทบกระตือนต่อสังคมเป็นปกติธรรมดาแต่เรามองจากโครงสร้างของบุตรแห่งโลกโดยสายโครงสร้างของบุตรทั้งสามประเภทก็ค่อนข้างชัดเนี่ย มันก็เริ่มจากหน่วยย่อยๆไปก่อนเพราะว่าจริงมันมีความเชื่อมโยงกันแือการกระทำของคนคนหนึ่งภายในครอบครัวภายในสกุลเนี่ยบวกลบไปกระทบต่อสังคมเราทำยังไงจะเกิดสํานึกสํเนียกว่าอย่างน้อยที่สุดเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งเนี่ยถ้าไม่สามารถจะทำประโยชน์อะไรได้เนี่ยก็จะสร้างปัญหาก็ละกัน และถ้าสร้างปัญหาก็กลายเป็นอวิชาาวชา ต, ตบุตรของสังคมของครอบครัวของครอบครัวของส ก, กุลของสังคมตลอดจนของประเทศชาติบางทีท่านสอนหนักนะฮะคือสอนอย่าทําตนเป็นคนโรคโลกนาศิยาโลกัตถโนอย่าทําตนเป็นคนรคโล ก, โลก หมายความมาโลกเขาอยู่กันเป็นปกติสุขสงบดีแล้วเราเกิดมาคนเดียวโลกป่วนเลยประการต่อไปนั้นคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ไม่เสียแต่สามารถสืบสารสิ่งดีงามต่างๆภ า, า, ายในครอบครัวภายในสกุลภายในชาติตันเมืองไปได้ก็เป็นแนวอนุรักษ์ได้นะ แนะจะไม่มีการสร้างสรรพัฒนาแต่สามารถอนุรักษ์สิ่งดีงามต่างๆไปได้อะไรที่เป็นจารรีดแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของครอบครัวของสกุลของชาติบ้านเมืองถึงส่วนใหญ่ก็สืบเนื่องมาจากศาสนาแล้วก็สืบเนื่องมาจากสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ ก็พยายามสืบสารสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้ก็นี้พึงสังเกตนะฮะว่าถ้าวันสำคัญเหล่านั้นไปผูกโยงกับสถาบันประมากศัตร์โดยเฉพาะวันพ่อกับวันแม่ก็บสิบสองสิงหากับห้าธันวาเนี่ยปรชาชนจะตื่นตัวสูงมากก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีแต่ถ้าเรามองดูอีกทีหนึ่งว่า ปัญหาภายในครอบครัวปัญหาภายในสังคมระหว่างพ่อแม่ลูกมันก็มีปัญหาที่น่าห่วงเราเห็นว่าช่วง12สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวการที่ทหารเออตำรวจนะฮะตำรวจระดับจ่าหรือนายสิที่ยเอาปืนไปจ่อแม่เล่นเป็นการขู่แม่แม่เมาเล่า เกิดพลั้งพลาดถูกแม่ตายีลูกขอสตางค์แม่เพียงร้อยบาทนะแม่ไม่ให้ก็ตีแม่ตายคือไม่มันจะเรียกว่าลูกฝาญสกุลมนอาจจะน้อยไปํามไปมันเป็นมาตุกคาดนะ่ะเป็นอนันตะเรกครับแล้วก็ไม่น่าจะเกิดในชุววันแม่ คือในตอนนั้นที่จริงลูกหลานก็ควรจะเจ็มตัวเจ็มใจรำลึกถึงคุณคุณอุปการของแม่ตัวเองแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะ น, นี้ขึ้นเนี่ยก็ทำให้สลดหดหูใจว่าเวลาเราพูดเราชี้แจงเราอธิบายเรื่องประคุณของแม่โดยตามปกติในช่วงตรงนี้อาตมามักจะมีโอกาสไปบรรยายอบรมในเรื่องของแม่อยู่เรื่อยล้วก็อึดอัดแนไง ว่าบางทีพูดไปแล้วเด็กแกก็ถามปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในเป็นล้านน่นนะเพียงแต่ว่าเป็นสีดำที่ผาดบนผ้าขาวคือทำให้ผ้ามันเด่นแต่ั้นสานึกเหล่านี้ทำยังไงว่าเราจะติดต่อกับเยวยสชนของเราได้เราพูดจาต้ ล, ลูกหลานของเราได้ว่าทําไม่สามารถที่จะดำรงมณฑลสกุลได้ก็ขออย่าผานจะกุนเลย ประถ า, าน์ครอบครัวก็ผานสกุลผานสังคมผานประเทศชาติบ้านเมืองตามไปด้วยแต่เนื้อหาสาระที่น่าจะทำจริงจริงเนี่ยคือมีความคิดแนแนวสร้างสารรค์พัฒนาสร้างเตรียมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองโดยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อ ครอบครัวต่อต่อครอบครัวต่อสกุลต่อสังคมนะะแต่พยายามทำประโยชน์ตัวเองให้ได้ดีและพยายามทุ่มเทความเสียสละเพื่อสังคมมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อสังคมสังคมเราที่จริงมีพื้นฐานดีมากๆกันนะแต่วันนี้กระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมมันมาแรงมาแรงจนบางครั้งบางคราวก็ปะัะทะไว้ไม่อยู่ เพราะว่าสื่อเหล่านี้เข้ามาต่อเนื่องเกินไหลทุ่มทนทุนทักมาเลยแต่การพูดจาการประรบเรื่องเช่นเรื่องบุญคุณพ่อแม่เนี่ยปีหนึ่งก็ประรบใหญ่ๆก็สองครั้งแต่นั้นเองพ่อครั้งหนึ่งแม่ครั้งหนึ่งว่าที่จริงแล้วเป็นต้องเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างสำนึกบ่อยๆจะต้องมีการกระทาที่ต่อเนื่องกันไป ถ้ามาถึงจุดนี้ได้ก็หมายความมาถ้าเราเป็นอภิชาตบุตรได้นะมันก็กลายเป็นการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกโดยโดยตรงอยู่แล้วจริงๆสังคมมันกระทบกระเทือนมันเป็นปัจจัยการของมันเราเห็นว่าเรื่องบางเรื่องซึ่งเกิดขึ้นด้วยการกระทำของคนเป็นคนเดียวแต่ว่าไปทำในต่างแดบนบ เช่นว่าคนไทยไปถูกจับได้ว่าไปค้าเฮโรอีนไปค้ายาบ้าเนี่ยนำข้าวไปทางเครื่องบินสมมติว่าไปข้าวประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเราแย่ทั้งประเทศเลยทั้งที่ว่ามีคนทำเพียงคนเดียวเท่านั้นเองนั่นนการในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมจาเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยพื้นฐานความคิดพื้นฐานเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถทําประโยชน์แก่สังคมได้เราก็จะไม่สร้างปัญหาแก่สังคมถ้าปัญหาจะเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราจะไมจ่จะไม่เกิดขึ้นจากเราแต่แต่ละคนสำรวจระวังได้อย่างนี้นะฮะมันจะไปเกื้อกูลต่อภาระหน้าที่ของเราในหน่วยอื่นด้วยปณิยา น, นินยาเหล่านี้เราลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงให้ด้วยประการทั้งปวง ทรงเป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกเป็นโล ก, กันายกเป็นผู้นําของชาวโลกเป็นโล ก, กนาดเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นโลกเชิดเป็นพี่ชายคนโตของชาวโลกเป็นภารกิจที่าศาสดาผููเอ็นดูจะพึงทําต่อสาวกทั้งหลายด้วยโดยไม่ได้มุ่งหวังอะไรในลักษณะของฝนที่ตกลงมา คือถ้าผู้ฉลาดสามารถรองรับน้ําฝนไว้ได้มันก็ได้ประโยชน์จากน้าฝนเดีนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าว่ากันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นสมบัติของมนุษย์ชาตินะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกเชิดเป็นโลกนาฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโลกเชิดเนี่ยเห็นพี่ชายของตนคนโตของชาวโลกรับสั่งเองแกเวรันชพรามและรับสั่งหลายครั้งหนะ้าประโยคน์นี่ เพียงแต่ว่าคนในศาสนาอื่นเมื่อจะนําธรรมะในทางพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ก็น่าจะบอกกล่าวให้ให้รู้กันหน่อยว่าในคําสอนในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่ไปตรงกันเนี่ยมันก็เป็นการเสริมความหนักแน่นของคําสอนเหล่านั้นว่ามีปรากฏอยู่ในศาสนาต่างๆแต่ถ้ายกไปของพูดธล้วนก็ควรจะบอกก็เท่านั้นเอง หรือไม่ใช่เป็นเรื่องของการหวงแหนเท่นแหร่โจริงๆเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงแหนแต่ปัญหาที่นำมาประรบกันนั้นก็คือการไปบิดเบือนท่านเองไปบิดเบือนไปโมเมเอาคาสอนในพระพุทธศาสนาว่าเป็นประกาศสิทธ์มาจากพระผู้เป็นเจ้าของเขาเองอันนี้ก็น่าเกลียดหน่อยกิเท่านั้นนะที่จริงต้องแยกใครออก มันก็เหมือนกับการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยคือเขาติงเพียงบางประเด็นต่าเองเขาไม่ได้ติงทุกประเด็นดอกแล้วก็สายควายพระเองเราก็ติงในการที่จะเอาศาสนิกในศาสนาอื่นมาควบคุมบังคับบัญชาถึงพระสงฆ์เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมและเป็นการกระ ท, ทําที่ไม่เคารพต่อรัฐธรรมนูญนะคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพซึ่งอยูรับการคุ้มครองดับรัฐธรรมนูญเนี่ย มันเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของาศาสนาของมนุษย์แล้วก็ในาศาสนาหนึ่งมันไม่ใช่แบบไปคัดค้านกันด่าไปจริงๆเมื่อเราคัดคานบ า, บางประเด็นด้านนั้นเองท่านเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราโดยพื้นฐานความเป็นมิตรมันก็เป็นมิตรกันได้ แต่จะเป็นนายมันก็หนักข้อไปหน่อยนั่นเองประการต่อไปนั้นก็ยิคอยาตัทจริยาให้ทําประโยชน์ต่อญาติอันนี้ก็ที่จริงก็อยู่ในโครงสร้างของบุตรสามประเภทนั่นแหละแต่ว่าความเป็นลูกหลานของสกุลเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงว่าสกุลแต่ละสกุลนั้นม่มีคนเกี่ยวข้องยงยายมากมายได้เกิดเป็นลักษณะของวงวานว่างเทือเนื้อหนอ่อ เป็นการกระทำที่ดีทายาทชั่วทายาทจะทำยังไงว่าคนจะรับผิดชอบต่อพ่อแม่ของตัวเองก็เรียกว่ารับผิดชอบต่อครอบครัวคำว่าครอบครัวเวลาเนี้ยรู้สึกคับแคบแล้วก็หน้าเป็นห่วงเนี่ยคือวันก่อนไปที่บ้านหนึ่งก็ลูกสาวกาลังมีเรือนมีครอบครัวนะฮะคือมีลูก แล้แยกบ้านแต่ว่าดูที่บ้านเนี่ยมีคนแก่ภาพบบ้านมีสองคนก็ยังนึกกระตัขคอสังเกตว่าทำไมครอบครัวใหญ่เนี่ยทาเป็นครอบครัวย่อยเป็นครอบครัวที่แยกเดี่ยวเด็กเติบโตมาท่ากลางกลางเลี้ยงดูของพี่เลี้ยงซึ่เราจ้างเข้ามาจันที่จะเติบโตในมือของปู่ย่าตายายลุงป้านหน้าอาองศาก็น่ายาก เกิอนาคตนั้นจะเป็นเรื่องน่าห่วงความสานึกรับผิดชอบต่อครอบครัวนี่จะอ่อนลงแล้วก็เคียงคนไปขีด ก, ก่อของครอบครัวไว้แคบแล้วถามคนสมัยนี้ถามครอบครัวคืออะไรนะก็จะพูดพ่อแม่ลูกนะพูดแค่คนสองชั้นพ่อแม่แล้วก็ลูกโดยทอดทิ้งคนเท่าคนแก่อุยาตายายไว้ที่ไหนหลุงป้าหน้าอาไว้ที่ไหน ตนความรับผิดชอบต่ อ, อยาตถาจริยานั้นที่จริงแล้วรับรับผิดชอบทั้งระบบแล้วก็ญาติทั้งสองกลุ่มทือกลุ่มที่สืบเชื้อสายกันมาและกลุ่มที่เป็นคนสนิทสนมคุ้นเคยกันต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันพูดง่ายๆว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเป็นอนุชาตบุตรหรือสืบต่อดำรงวงศสกุล แต่ถ้าสามารถปฏิบัติพัฒนาเชิดชูวงสกุลได้เนี่ยทําได้มากเท่าไหร่มันก็ดีนะฮะโดยคนสร้า ง, งความคิดสังคมเวลาเนี่ยเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเมื่อคนเราเนี่ยไม่รู้สึกเชื่อมโยงกันคือไม่ได้รับอุปการะเนี่ยปฏิการะมันเกิดจากแต่การที่เราเกิดปฏิการะเนี่ยเพราะเราได้รับอุปการะมา เวลานี่ยบางครังบางคราวเราก็มองปัญหาเรื่องความกตัญญูกตวเวทีแต่เราไม่นึกนะครับว่าบุปการีเนี่ยไม่ค่อยทำหน้าที่ของตัวเองและมาเองยังสังเกตในวงการของพระเราเคือผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในฐานะบุปการีนะแต่ถ้าเรามองให้ซึ้งแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้สงเคราะห์ผู้น้อยอะไร ข้าพันศาผู้น้อยก็ต้องไปถวายท่านวันเกิดท่านก็ต้องไปถวายท่านวันเกิดเราก็ต้องไปถวายท่านเทศกาลสาคัญสําคัญอะไรต่างๆนี่ก็ต้องไปถวายท่านมันทําให้การบังคับบัญชาการควบคุมดูแลการสั่งการเนี่ยเมืันเป็นระบบเจ้าขุนมูลนายแต่ไม่มีเยื่อใหยสัมพันธ์ทางใจ แต่จ ะ, จะรู้สึกคเคารพเิดทูลแล้วก็มีความรับผิดชอบกับอุปชัยยะต่ออาจารย์ต่อสํานักต่ออะไรแต่ออไเนถึงมันเชื่อมโยงกับความเป็นองค์กรต่างๆเพราะว่าจริงๆมันขาดอุปการะขาดสังขะคือขาดการสงรงขอบดังนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยเราปรารภปัแม่ยกตัวอย่างปรารภปันแม่ เวลาจะมาพูดเดี๋ยมอาจจะไม่พูดเฉพาะแม่เพราะเราลืมไปว่าผู้หญิงที่ปรารับวันแม่เนี่ยถ้าตัวเองก็เป็นแม่ด้วยมันยังไม่ว่าเป็นวันที่แม่ต้ อ, ตองทบทวนบทบาทของตัวเองที่มีต่อลูกแล้วก็ในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยทบทวนบทบาทตัวเองที่มีต่อแม่แล้วทำยังไงจะวางตัวให้เป็นหลักให้แก่ลูกซึ่งยึดเหนี่ยว เราแม่เม่อเราปฏิบัติต่อคุณยายคุณตาคุณยายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอนุชนก็สืบต่อเวลาแม่ชราโดงก็ปฏิบัติต่อแม่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ลูกคือหลานเนี่ยมันก็มองเห็นแม่ตัวเองที่ปฏิบัติต่อยายของตัวเองด้วยความดีมันก็ต่อกันไปพลักษณะาทางสังคมที่จริงเนี่ยเคยเห็นว่ามันมีบรนพชชนแล้วก็มีอนุชนมันลักษณะของการเดินตาม เป็นการศึกษาปฏิบัติเพื่อจะยึดถือท่านเป็นแบบสิ่งที่เราเรียนเราศึกษาในภาคสนามภาคสังคมจริงๆอย่างพวกกนดทรรเรียนประเพณีว่าธรรมจารีตแบบแผนต่างๆศ า, าสนาพิธีทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยมันเรียนเพื่อจะเรียนแบบท่านหมายความมาท่านประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเราก็พยายามเรียนแบบท่าน แล้วก็ทำตามที่ท่านทำปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติให้สอดคล้องกันเดี๋ยวก็แสดงถึงความมีวัดธรรมร่วมกันมันก็กลายเป็นสารสายใหญ่ที่สร้างความรู้สึกผูกพันกันของบุคคลภายในสังคมยังแนวสมัยโบราณเนี่ยเราลองสังเกตว่าสิ่งดีงามต่างๆที่เป็นเรื่องของบรรพชน วันก่อนได้ยินไปสวรณีรักสั่งเรื่เรื่องของโบราณโบราณเนะี่ยมีคนมาอ้างที่ว่าคนสมัยปัจจุบนะันเนี่ยมันเท่าทิ้งไปซะเยเอะเลยนี่ใครพูดว่าฉลาดเกินไปคือฉลาดเกินดีไปนะฉลาดไม่พอดีคือเป็นการมองกัดสินแบบง่ายๆอย่างว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ย พ่อแม่เป็นพระาหารพ่อแม่เป็นพรหมพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์พ่อแม่เป็นมิตรเป็นสารพัดแต่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้เลี้ยงดูอ่ะก็แล้วแต่จะจะมองกันนะฮะมองยิ่งมากก็ยิ่งเห็นได้มากมันเป็นมันคาสู่สวรรค์เป็นการปฏิบัติเพื่อดำเนินไปสู่สวรรค์แต่คนสมัยนี้ไม่เชื่อในประเด็นตรงนี้จำนวนหนึ่งนะฮะจำนวนหนึ่งที่ไม่เชื่อเนี่ยก็มียอ แต่ถามว่าท่านเชื่อแล้วมันจะขัดถุนอะไรจะมีหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นนะเพราะสวรรค์ น, นั้นสวรรค์ น, นรกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมีของเขาแล้วคนที่มียานอย่างพระพุทธเจา้ามีทิจักสุอย่างพระพุทธเจา้ามียานอย่างพระหันทั้งหลายเนี่ยท่านพบเห็นมาโดยตรงอนกันแล้วคนที่บริสุทธิ์หมดจดอย่างพระพุทธเจา้าพระหันในโลกนี้ไม่มีอ ตอนเราเชื่ออย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าเป็นการบูชานอบน้อมเทวดาภายในเรือนเป็นการสร้างทางแห่งสวรรค์ให้แก่ตัวเองเนี่ยแล้วเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกหลานแห่งสกุลที่ดีอย่างน้อยก็สืบสารความดีงามภายในสกุลของตัวเองเอาไว้เนียที่จริงตาไปแล้วจะมีนรกสวรรค์หรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็น แต่ว่าประเด็นว่าเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันเพียงแต่ว่าถ้ามีนรกสวรรค์เราก็บังเกิดในสวรรค์มันไม่มีอะไรขาดทุนสมมติเราจับหลักอะไรไม่ได้ไม่ยอมเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จับหลักไว้ตรงนี้ยจะทำให้ได้แนวในการปฏิบัติตนเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวสร้างสามัคคีเอกภาพ ภ, ภายในสกุลวงศ์ นะยาติวงรงษาต่างๆเนี่ยก็มีความรับผิดชอบร่วมกันสุขทุกข์ก็รับรับผิดชอบร่วมกันดีชั่วก็รับผิดชอบร่วมกันก็จะทำให้แต่ละคนต่างมีความรู้สึกดีต่อกันอย่างน้อยเอกภาพทางความรู้สึกว่าเป็นผู้ร่วมสกุลเป็นลูกหลานเป็นพี่น้องเป็นญาติกันแล้วก็ จะก็อให้เกิดความรักความเคารพความนับถือการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันตามสมควรนี่ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งที่น่าจะสร้างสรรแล้วก็สืบสารรักษาเอาไว้ทั้งฟังทงั้งหลายแต่หลวงพ่อพิทยาในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี